สุขเหนือเวทนาเป็นนั้นว่าเหลือแต่สุขขั้นสุดท้ายคือข้อที่สิบอย่างเดียวที่ต่างออกไปโดยเป็นสุขแต่ไม่เป็นเวทนาหรือเป็นสุขได้โดยไม่ต้องมีการสวยอารมณ์จะเรียกว่าสุขเหนือเวทนาก็ได้ตามที่ท่านแสดงไว้มุ่งเอาสุขเนื่องด้วยสัญญาเวทายตานิโรธ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 อานนทิกษุก้าวล่วงเนวสัญญาณาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวงแล้วเข้าถึงสัญญาเวท้าิตานิโรธอยู่นี้แหละคือความสุขอื่นที่ดีเยี่ยมกว่าและพระนีทกว่าความสุขในเนวสัญญาณาสัญญายตนะนั้นอาจเป็นไปได้ที่อนยัติเดรธีปริพาชคจะพึงกล่าวว่าพระสมณโคดมตรัสสัญญาเวท้ิตนิโรธไว และทรงบัญญัติคือจัดเอาสัญญาเวทอิตะนิโรดนั้นเข้าในความสุขด้วยข้อนั้นคืออะไรกันข้อนั้นเป็นได้อย่างไรกันเธอเพึงกล่าวชี้แจงกับัญญัติเดรัจีปริพาชคที่พูดอย่างนั้นว่านี่เนี่ยท่านพระผู้มีพระภาคจะทรงบัญญัติไว้ในความสุขหมายเอาเฉพาะสุขคเวทนาอย่างเดียวเท่านั้นก็หาไม่ในที่ใดๆ พบความสุขได้ในภาวะใดๆมีความสุขพระตถาคตย่อมทรงบัญญัติฐานะภาวะนั้นๆไว้ในความสุขคือจัดเอาฐานะหรือภาวะนั้นๆเข้าเป็นความสุขสัญญาเวทายิตานิโรธเป็นภาวะเทียบคล้ายภาวะนิพพานและสุขโดยไม่มีการสวยอารมณ์ หรือสุขไม่เป็นเวทนาแห่งสัญญาเวทายตานิโรดนี้ก็เป็นประดุกนิพพานสุขเรื่องนี้พระสารีบุตรก็เคยอธิบายไว้ในนิพพานสูตรความย่อว่าครั้งหนึ่งท่านได้กล่าวกับภิกษุทั้งหลายว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายนิพพานนี้เป็นสุขพระอุทายีถามว่าจะมีความสุขได้อย่างไร ในภาวะที่ไม่มีการสวยอารมณ์พระสารีบุตรตอบว่านิพพานที่ไม่มีการสวยอารมณ์คือไม่มีเวทนานี่หละเป็นสุขจากนั้นท่านได้อธิบายด้วยวิธียกตัวอย่างภาวะในสมาบัติเป็นเครื่องเทียบเคียงให้เข้าใจโดยในย่าอ้อมตามคําอธิบายของพระสารีบุตรนั้นท่านมิได้ใช้เฉพาะแต่สัญญาเวทายิตะนิโรธอย่างเดียวเท่านั้นเป็นเครื่องเทียบ ทันใช้ภาวะในฌานทุกชั้นตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปทีเดียวเป็นเรื่องแสดงให้เห็นแง่ที่จะเทียบเคียงเข้าใจความสุขแห่งภาวะนิพพานได้ทั้งนี้มีอธิบายว่าในฌานแต่ละขั้นตามปกติจะมีสัญญามนาซิการคือความคำนึงนึกด้วยสัญญาที่เกี่ยวข้องกับฌานชั้นต่ำกว่าที่ถัดลงไปฝุ่งขึ้นมาในใจได้ เช่นผู้ที่บรรลุฌานที่สามซึ่งปราศจากปีติมีเฉพาะสุขและเอกัคคตาก็ยังมีสัญญามนัสิการที่ประกอบด้วยปีติคอยฟุ้งเข้ามาในใจได้การที่สัญญามนาศสิการเช่นนี้ฟุ้งขึ้นมานับว่าเป็นอาการรบกวนเป็นสิ่งบีบคั้นทำให้ไม่สบายสำหรับผู้ที่กำลังอยู่ในฌานนั้นๆคาว่าอาการรบกวนบีบคั้น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 โดยในยานี้เมื่อไม่มีสัญญามนสิการฟุ้งขึ้นรบกวนผู้อยู่ในชานใดก็ดื่มดำในชานนั้นเต็มที่ดังนั้นภาวะในชานตามปกติของมันเองแม้ไม่มองในแง่ของเวทนาก็นับว่าเป็นความสุขอยู่แล้วในตัวพูดอีกอย่างหนึ่งว่าจะเห็นว่าภาวะของชานเป็นความสุขก็เมื่อเอาอาการรบกวนบีบคั้นเข้ามาเทียบ ภาวะโปร่งโล่งเต็มอิ่มสมบูรณ์ตามปกติเช่นที่เป็นไปในฌานต่างๆในเมื่อไม่มีสัญญามนสิการฟุ้งเข้ามารบกวนบีบเบียนนี่แหละพอจะเป็นเครื่องเทียบให้เข้าใจได้โดยอ้อมถึงความสุขแห่งนิพพานหรือว่าสุขแห่งนิพพานก็คือภาวะที่โปร่งโล่งเป็นอิสระเต็มเปี่ยมสมบูรณ์ที่ไม่มีอะไรอะไรรบกวนบีบคั้นกดดันแต่อย่างใดเลย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 เมื่อเจ็บไข้จึงจะรู้ได้ชันว่าความมีสุขภาพดีหรือภาวะไร้โรคเป็นความสุขอันยิ่งใหญ่ร่างกายที่ไร้โรคมีสุขภาพดีแข็งแรงสมบูรณ์ลงไร้สิ่งระคายรบกวนเป็นความสุขแน่แท้ฉั้นใดจิตใจที่ปราศจากสิ่งมัวงหมองรบกวนไม่มีอะไรข้างค้างกังวลไม่เกาะเกี่ยวผัวพันอยู่กับอารมณ์ที่เสพสวย อ, อย่างใดอย่างใด ก็ฉันนั้นย่อมปล่อยโปร่งเปิดกว้างแผ่โล่งไปไร้ขีดจำกัดมีลักษณะอย่างที่ท่านเรียกว่ามีจิตใจไร้เขตแดนคำบาลีว่าวิมาริยาทิกาเตนะเจตาสาภาวะจิตเช่นนี้จะให้เกิดความรู้สึกอย่างไรจะเป็นสุขผ่องใสเบิกบานโปรงโล่งอย่างไรเป็นประสบการณ์เฉพาะ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 ล้วนเป็นสังขารธรรมหมายถึงสังขารในความหมายของสังคตธรรมที่คลุมขันห้าทั้งหมดไม่ใช่สังขารที่เป็นข้อที่สี่ในขันห้าจึงย่อมเป็นทุกข์ทั้งสิน้นซึ่งทุกข์ในที่นี้หมายถึงทุกข์ในไตรลักษณ์ดังพุทธพจนตรัสชี้แจงแก่ภิกษุรูปหนึ่งดังนี้ภิกษุรูปหนึ่งทูลถามว่า เมื่อขาพระองค์หลีกเล้นอยู่ในที่ลับได้เกิดความครุ่นคิดในใจอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเวทนาไว้สามอย่างคือสุขเวทนาทุกขเวทนาอัทุกขมสุขเวทนาแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ตรัสข้อความนี้ไว้ด้วยว่าการสวยอารมเวทนาไม่ว่าอย่างหนึ่งอย่างใดล้วนจัดเข้าในทุกข้อที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่า การสวยอารมณ์ไม่ว่าอย่างหนึ่งอย่างใดล้วนจัดเข้าในทุกดังนี้พระองค์ตรัสหมายถึงอะไรหนอพระพุทธเจ้าตรัสว่าถูกแล้วถูกแล้วภิกษุเรากล่าวเวทนาไว้สามอย่างคือสุขเวทนาทุกขเวทนาอุทุกขมสุขเวทนาแต่เราก็ได้กล่าวข้อความนี้ไว้ด้วยว่าการสวยอารมณ์ไม่ว่าอย่างหนึ่งอย่างใดล้วนจัดเข้าในทุก ความข้อหลังนี้เรากล่าวหมายถึงภาวะที่สังขารทั้งหลายนั่นแลเป็นสิ่งไม่เที่ยงเรากล่าวหมายถึงภาวะที่สังขารทั้งหลายนั่นแลมีความสิ้นความสลายความจางหายความดับความแปรปรวนไปได้เป็นธรรมดาเมื่อได้รู้เข้าใจตามเป็นจริงว่าเวทนาทั้งสามคือสุขก็ดีทุกข์ก็ดีทุกขมสุขก็ดีล้วนไม่เที่ยง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 สำหรับข้อที่เวทนาเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนได้เป็นธรรมดานี่เป็นข้อเสียคืออาทินวะหรืออาทินกของเวทนาทั้งหลายเวทนาจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยภาษะคือการรับรู้ที่เกิดจากอายตนะมีตาเป็นต้นประจวบกับอารมมีรูปเป็นต้นแล้วเกิดการเห็นการได้ยินเป็นต้น พูดง่ายๆแง่งงงงงหนึ่งว่าเวทนาต้องอาศัยอารมณ์ขึ้นต่ออารมณ์ถ้าไม่มีอารมณ์เวทนาก็เกิดไม่ได้เวทนาจึงแปลว่าการสวยอารมณ์หรือเสพรสิอารมณ์เมือ่อเวทนาอาศัยอารมณ์สุขที่เป็นเวทนาก็ต้องอาศัยอารมณ์ฌานสุขอาศัยเฉพาะธรรมอารมณ์อย่างเดียว แต่กามมสุขต้องอาศัยอารมณ์ทุกอย่างเฉพาะอย่างยิ่งอารมณ์ห้าอย่างต้นที่เรียกว่ากรมคุณซึ่งเป็นอามิตรโลกิยะปุถุชนดำเนินชีวิตโดยมุ่งสแสวงหากามสุขจึงเท่ากับฝากความสุขความทุกข์ฝากชีวิตของตนไว้กับอารมณ์เหล่านั้นคราวใดกามมคุณอารมณ์ร่างร้อมอํานวยก็สนุกสนานร่าเริง ราวดาการมคุณอารมณ์เหล่านั้นผันปวนปรนแปรไปหรือขาดแคลนไม่มีอารมณ์จะเสพเสวยก็บซบเ้าเศร้ซาซาอยหงอยเหงาละเหียต่างจากท่านผู้รู้จักความสุขที่ประนี่สูงขึ้นไปเฉพาะ อ, อย่างยิ่งสุขที่ไม่อาศัยเวทนาซึ่งไม่ฝากชีวิตไว้กับอารมณ์เหล่านั้นถึงแม้กามคุณอารมณ์จะเสื่อมสลายปรนแปรไป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 เทพและมนุษย์ทั้งหลายย่อมอยู่เป็นทุกข์สุนตธาคตอรหันตสัมมาสัมพุท ธ, ธะทราบตามความเป็นจริงแล้วซึ่งความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ไม่ได้คุณโทษของรูปเสียงกลิ่นรสพธพะธรมมารมณ์พร้อมทั้งทางออกจึงไม่เป็นผู้มีรูปเป็นที่ยินดีไม่รื่นรมอยู่ด้วยรูปไม่บันเทิงอยู่ด้วยรูป ละจนถึงธรรมารมเพราะรูปจนถึงธรรมารมปรวนแปรเลือนหายดับสลายไปตถาคตก็อยู่เป็นสุขได้ที่เป็นเช่นนี้เพราะโลกิยะปุตุชนมีประสบการจำกัดคับแคบรู้จักแต่เพียงกรรมสุขอย่างเดียวเวลาประสบสุขเวทนาสมปรารถนา ก็สวยสุขเวทนานั้นยังถูกมัด ต, ตัวลุ่มหลงมัวเมาหมวกมุ่นในกาลมาสุขและในกาลมคุณยิ่งขึ้นเวลาประสบทุกขเวทนาก็โศกเศร้าหงอยเหงาหรือทุรนทุรายแล้วก็หันมาฝันฝายครุ่นคํานึงปากความหวังไว้กับกาลมาสุขต่อไปอีกเพราะโลกิยะปุถุชนนั้นไม่รู้ทางออกจากทุกขเวทนานอกเหนือไปจากกาลมาสุขส่วนอริยส า, าวก ผู้รู้จักสุขพระณิจกว่าแล้วเมื่อประสบสุขคเวทนาจากกามคุณอารมณ์ก็เสวยสุขเวทนานั้นอย่างไม่ถูกมาตัวไม่ลุ่มหลงมัวเมาหมกมุ่นตกเป็นธาตุของกามคุณนั้นครั้นได้ประสบทุกขเวทนาก็ไม่ซบเศร้าเศร้าทุรนทุรายและก็ไม่หันไปรอหากามสุขเพราะรู้จักนิสรณะคือทางออกหรือภาวะรอดพ้นเป็นอิสระที่ดีกว่าซึ่งไม่ต้องอาศัยกามสุข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 ที่ช่วยให้ได้รับความสุขจากการเซพลดอารมณ์ต่างๆความสุขพื้นฐานนี้ได้แก่ภาวะที่จิตใจปลออ่อยโปร่งผ่องใสเบิกบานไม่มีความหมัวหมองวุ่นวายหรือเรื่องติดค้างกังวลใจใดๆจะเรียกว่าจิตว่างหรือมีความสะอาดสว่างสงบหรืออย่างไรก็ตามทีผู้ที่มีภาวะจิตเช่นนี้ยอมเรียกได้ว่าเป็นผู้มีความสุขนี้เป็นขั้นที่หนึ่ง ขั้นต่อไปผู้ที่มีภาวะจิตใจเช่นนี้ถ้าจะไปเสพสวยอารมณ์ใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสโพธพะก็ตามก็จะได้รับความสุขจากการเสพสวยอารมณ์นั้นๆเต็มที่เรื่องนี้จะเห็นได้ชัดในทางตรงข้ามเช่นผู้หนึ่งกำลังจะรับประทานอาหารถ้าเวลานั้นจิตใจของเขาไม่ปลอดโปร่งพองใสมีเรื่องโศกเศร้าหรือขุนมัว หรืกำลังกลุ้มกังวลวุ่นวายใจอย่างใดอย่างหนึ่งแม้ว่าอาหารนั้นจะเป็นอย่างอร่อยที่เขาเคยชอบแต่คราวนี้เขาอาจจะไม่รู้สึกอร่อยเลยอาจฝืนกินหรือถึงกับกินไม่ลงก็ได้แต่ถ้าจิตใจของเขาเบิกบานผ่องใสเขาจะรู้สึกรสอาหารเต็มที่แม้บางทีอาหารไม่ดีนักแต่เขาก็รับประทานได้อย่างอร่อย ตัวอย่างเทียบในทางร่างกายก็มีนอกจากเรื่องร่างกายมีสุขภาพดีแข็งแรงอย่างที่กล่าวแล้วพึงเห็นได้ชัดคนมีร่างกายเปะเปื้อนฝุ่นหรือสิ่งสกปรกตัวเหนือยหนะด้วยเหงือ่อหรือเจ็บนวนเจ็บนี่ยุบยิบไปเขาจะลงนั่งฟังเพลงก็ไม่สบายหรือจะลงมือทำงานอะไรที่ละเอียดก็ไม่ได้ผลดีแต่ถ้าเขาได้ชำระล้างร่างกาย ให้สะอาดปล่อยโปร่งโล่งเบาแล้วจะเสพสวยอารมณ์ใดก็ได้สุขเต็มที่จะลงมือทำงานที่ต้องการความประณีตใดๆก็จะทำได้ดีเป็นอันว่าคนที่มีความสุขชั้นในหรือความสุขพื้นฐานแล้วยังจะเสยความสุขชั้นนอกหรือขั้นเสยอารมณ์ได้ดีอีกด้วยนอกจากผลดีในด้านความสุขแล้ว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 กว่าที่คนทั่วไปรู้สึกได้อีกมากความสุขเนื่องด้วยนิพพานก็พึงนึกพอเป็นเขาอย่างนี้สรุปว่านิพพานเป็นทั้งความสุขเองและเป็นทั้งภาวะที่ทําให้พร้อมที่จะสวยความสุขเมื่อคนวางใจถูกต้องต่อกรรมคลายความติดพันในกามาคุณไม่เอาความสุขของตนไปฝากไว้กับกรรม เลิกหมกมุ่นในกามาสุขได้เขาก็มีสิทธิหรือเป็นผู้พร้อมที่จะทําความรู้จักกับชาณสุขที่ปราณีตลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปเมื่อเขาประสบชาณสุขแล้วถ้าเขายังต้องการเสพกามาสุขอยู่เขาก็จะเสพได้ตามปกติและมีความละเมียดละไมแต่เขาจะไม่ทําความชั่วเพราะเห็นแก่กามาสุขเพราะเขามองเห็นคุณค่าของชาณสุขสูงกว่า และชาณสุขนั้นต้องอิงอาศัยความดีงามเมื่อเขาได้รับชาณสุขแล้วจิตของเขาจะดื่มดำน้อมดิ่งไปในอารมณ์ของชาณ น, นปราณีตซึ่งมีหลายขั้นตอนลึกซึ้งกว่าการขึ้นไปโดยลำดับจนถึงขั้นสูงสุดเป็นดังกลืนหายไปกับภาวะประณีตลึกซึ้งนั้นภูมิขั้นแห่งการบรรลุเชน่นนี้นับว่าประเสริฐสุดสูงสุดเลิศ ยากที่ใครๆจะเข้าถึงได้อย่างไรก็ตามผู้ใดสามารถปล่อยวางละความติดใจพัวพันในภาวะเลิศล้ำดื่มด่ำน้อมดิง่งของฌานสมาบัตเหล่านี้ได้คือถอนความติดในการมาได้ขั้นหนึ่งแล้วยังถอนความติดในฌานสมาบัตได้อีกไม่มีความเกี่ยวกเกาะติดพันในสิ่งใดๆเลย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 ต้องมีที่ขึ้นต่อแต่นิพพานเป็นภาวะหลุดออกปลอดพน้นโปร่งโลง่งแต่ทั้งที่เป็นภาวะตรงข้ามนี่แหละผู้ประจากแจ้งนิพพานแล้วกลับเป็นผู้มีสิทธิ์หรือเป็นผู้พร้อมที่จะเสวยความสุขชนิด ก, ก่อนๆทั้งหมดทั้งการมมาสุขและชาณสุขและเสวยได้อย่างดีที่สุดโดยไม่มีพิษมีภัยอีกด้วย การที่เขาละเลิกเมตุนสมาบัติคือการร่วมรักการร่วมเพศตลอดจนปล่อยทิ้งหรือตัดใจจากฌานสมาบัติทั้งหมดมาได้กลับทำให้เขาสามารถเข้าถึงสมาบัติอื่นที่สูงยิ่งขึ้นไปกว่านั้นได้อีกเป็นอันว่าผู้ประจักษ์นิพพานได้ทั้งความสุขของนิพพานเองและสามารถสุวยสุขอย่างก่อนๆที่ผ่านมาแล้วได้ทั้งหมด